กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอต้นแขนน่องจะบีบรัดเขมิงเกลียวขึ้นมาพร้อมๆกันแต่สำหรับบางคนก็อาจตึงขมับแน่นและค่อยๆทยอยไล่ลามลงมาเป็นขบกลามนิ้วงอฝืนฝ่ามือชื้นเท้าจิกงุ้มเป็นต้นชุดมัดเนื้อที่ประสานกันเหล่านั้นมีจุดร่วมเดียวคือรักษาอารมณ์เครียดไว แต่ละคนจะเกิดอาการซ้ำๆกันแบบเดิมไม่เลิกแม้ศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจหลักการปล่อยวางแล้วส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างเดิมไม่หายปรับเท่าที่ยังไม่มีการฝึกสลายการทำงานทางกายแบบเดิมๆบ้างการพยายามฝึกในขณะเกิดเรื่องเหล่านั้นมักสายเกินไปเพราะมัดเนื้อต่างๆร่วมมือกันเล่นงานคุณจนหมดความสามารถตั้งสติซก่อน ฉนั้นหนทางที่จะรับมือได้จริงคือเตรียมตัวล่วงหน้าโดยสร้างกลุ่มการทำงานของมัดเนื้อแบบผ่อนคลายเอาไว้พูดง่ายๆคือฝึกทั้งร่างให้จินกับการผ่อนคลายแทนการรัดแน่นเหมือนที่ผ่านมากลุ่มมัดเนื้อคลายเครียดแบบครอบจักรวาลที่ทุกคนสร้างได้สร้างสาเร็จแล้วสลายมัดเนื้อเครียดได้ทั่วร่าง คือฝ่าเท้าฝ่ามือและใบหน้าหากเคยชินที่จะทำให้สามจุดนี้คลายตัวได้คุณจะสบายตัวตลอดไปทั้งชีวิตที่เหลือไม่ว่าจะกำลังนั่งยืนเดินหรือนอนวิธีฝึกคือให้ถามตัวเองบ่อยๆว่าขณะนี้เรากำลังเกร็งตรงไหนไล่ขึ้นมาชัดๆทีละจุดฝ่าเท้า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 ถี่ขึ้นเรื่อยๆแม้เริ่มฝึกได้เพียงวันละสิบรอบคุณก็จะเห็นความแตกต่างเช่นเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์เคร่งเครียดจิตและกายอาจเกิดอาการยึดแน่นขึ้นมาในวูบแรกแต่แล้วจะเกิดสติขึ้นได้เองเป็นอัตโนมัติและสติดังกล่าวจะไปกระตุ้นการทำงานของกลุ่มมัดเนื้อผ่อนคลายขึ้นมาเองโดยไม่ต้องฝืน ถ้ารักจะเห็นผลจริงต้องฝึกจริงไปเรื่อยสร้างกลุ่มมัดเนื้อคลายเครียดขึ้นมาบ่อยๆไอ้เหมือนกับที่เคยสร้างกลุ่มมัดเนื้อเคร่งเครียดมาทั้งชีวิตไม่นานคุณจะพบว่ายิ่งเผชิญหน้าสถานการณ์ชวนเครียดมากขึ้นเท่าไรร่างกายและจิตใจจะยิ่งถูกฝึกให้เข้าโหมดมีสติผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น หมายเหตุความผ่อนคลายปล่อยวางนี้เป็นแบบพื้นพื้นแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยใจจะเหมือนไม่ยึดอะไรจริงจังสักอย่างมีความสุขกายสบายใจหายห่วงหายกังวลจนบางคนอาจสาคัญไปว่าใกล้จะบรรลุธรรมหรือกระทั่งบรรลุธรรมแล้วขอให้เข้าใจไว้ตั้งแต่ในเบื้องต้นนี้ว่าการปล่อยวางขั้นบรรลุธรรมนั้นต้องปล่อยทิ้งการยึดมั่นกายใจนี้ ด้วยจิตทั้งดวงซึ่งจิตทั้งดวงดังกล่าวหมายถึงการผนึกรวมกระแสะถึงขั้นได้ชาญไม่ใช่แค่สมาธิอ่อนๆ อ, อ, อันเกิดจากความสุขความผ่อนคลายตื่นตื่น